อุสกุดานผอาวัสี่ gression, ุดทีทีุ่ <c oughs> ่ส e. <c oughs> ุดทีสุทีุ่สี่ดทที่สที่สุดที่สุดทีที่สุสุด่ดี่สุดทที่ดที่สุดที่สุดที่สุดีุ่ที่ท่งุดท่ที่สี่สท่ที่สุดที่ที่ี่ี่สุดทุดอี่ที่สุ่่ที่ท่่ทีีุ่่ ข้ามดูลิลล่ะคือนางด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาล่ที่เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้มาใช่ความสามารถของเรานะที่เราแข็งแรงเนี่ยมาใช่ความสามารถของเราต้องนึกก็ต้องกล่าวว่าอัลหัมดุลิลล่ะนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณท่านดิค่ะขอบคุณว่าไงอ่ะ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النور หัวใจเราเนี่ยต้องโยงกับอัลลอฮ์นะครับหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั่วโลกต้องโยงกับอัลลอฮ์ทุกคนเป็นองนี้อัลลอฮ์สั่งในกับีกูรานย่าเวลาตัวอื่นก้ฟินย่าปฏิบัติตามคนก้ คนกาแฟอยู่บนโลกดุนยาเนี่ไม่เคยสูญเลยใช่ไหมไม่เคยกล่าวว่าหัมดูริลาใช่ไหมเราทํานั้นได้ไหมอลรรถสัย่าทําตามเรามีบุคคลตัวอย่างที่ชัดเจนคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมคนเดียวแต่หาหาจากท่านนาบีไม่เจอก็ให้มองดูตัวอย่างของบรรดาอัลฮะบะเขานั้เองครับชาวซาลักนะครับ ขอบคุณนบีสุภาพนาลานะการพี่น้องที่โรคระบาดอะไรในโควิดเนี่ยก็ค่อยๆเบาลงนะแต่หลายคนก็เป็นห่วงบอกว่าอาจจะย้อนกลับมาอีกเที่ยวหนึง่งก็ได้สำหรับผู้ศรัทธาต่อรอดนบีเตือนบอกว่าโรคโควิดนี่นะเป็นอะไรท้ายหิงอัยชาถามท่านนบีว่าตองอานูนโรคระบาดคือโรคโควิดนี่แหละเกิดขึ้นในสมัยนบีแล้วไม่ใช่ไม่เกิดขึ้น ไม่ใช่เกิดในยุคเราเนี่ไม่ใช่เกิดมาตั้งแต่สมัยนบีเมื่อพันสรอปีก็เกิดมาแล้วแล้วก็บรรดาสซาบะนบีเขาตายชาเขาตายไปนะเขาตาย شهيد นะคนที่หัวใจของเขาโยมกับอัลลอฮ์แล้วก็มองโรคโควิดนี่เป็นรหฮมะไม่ได้มองเป็นอาซาบนะครับมองเป็นรหฮมะเวลาเขาตายเนี่ยเขาตาย شهيد คนลบุญท้าเขาตาย شهيد ทีนี้ เมื่อเป็นรามาเนี่เราจะต้องมองเรื่องโรคโควิดในประมองลบแบบคนคาเฟ่ไม่ได้เพราะเราอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวทีวีมีคนข่าตัวตายกันเยอะใช่ไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ฆ่าคือคนเขาไม่ไม่รู้จักชีวิตคุณข่าวว่าชีวิตใครประทานให้อะวิญญาณใครประทานให้อลลทั้งโหมดอัยยาไหนอ่ะ อโลประทานวิญญาณให้ตอนอยู่ในครันมารดาอายุได้ร้อยยี่สิบวันวันฟักนาฟีมิลูให้หน้าเราได้เป่าวิญญาณของเราลงไปในคันของมารดาตอนอายุได้ร้อยี่สิบวันอยู่ในทองมะของเราต้งนึตรงนั้นนี่อิสลามสอนทั้งหมดเนี่ยต้องขอบพูดนรอบไปน้องที่มาที่มี ความสามารถมาอาบสุโบที่มัสยิดได้ออกจากบ้านมานั่งมัสยิดของอัลลอฮ์ละมาอ่านคุณอานสามสี่อายะเป็นน้องนี่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานให้ทั้งหมดไม่ใช่ทําเองนะครับพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเรามาถึงสุร้อยยาซีนสุร้อยยาซีนเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็ท่องกันอ่านกันนะต้องอ่านสม่ําเสมอนะยะยะห ย, ยุด แต่นายตับซิดอธิบายเาว่าโซรอยยาซีเมื่อก่อนเราเข้าใจนะเข้าใจว่าไงนะอ่านโซรอยยาซีเนี่ยคนใกล้จะตายทำให้ตายตายแบบสบายๆแล้วก็เป็นหัวใจของอูรา <c oughs> ่านเคยเช็คฮะดีสดูแล้วเนี่ยเป็นฮะดีสเก้หมดเลยเป็นฮะดีสเกยทั้งนั้นพี่น้องอ น, นี เนยิสเก้เป็นรองกับตกลงว่าภาว่าดิสเก้ปั๊บฉันหยุดอ่านกุรอานไม่ใช่คือที่ความเชื่อของเราที่มีมาแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าอ่านกุรอานให้คนใกล้จะตายทําให้ตายง่ายน่ะตองการจะบอกว่าชาวบ้านนาบีน่นในยุคนบีเขาไม่ได้เจาะจงอ่านสุลตยาซีนอย่างเดียวเพราะอ่านสุลต์ไหนก็ได้กุร์อ่านไม่ต้องอ่านตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วจนกว่าจะตาย อย่าไปเ จ, มจมาะจงเฉพาะโซลอยาเซนอย่างเดียวเพราะว่าฮะดิษเนี่ยมีหลายคนเช็ก อ, อัลบานีก็บอกเป็นฮะดีษฮะดิษแดอยพอีแกนะแล้วก็เป็นหัวใจของกู้อ่านก็ไม่ใช่เหมือนกันเป็นฮะดีษเกซาตสกุลานทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นหัวใจทั้งหมดนั่นแหละสอนเราโยมกับอัลลอฮฺอยู่ตลอดเลยล่ะนะอัลฮัมดุลิลละ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่น้องเราอ่านสุร่ายาซีนมานี่นะครับได้กี่อายะนะได้เจ็ดอายะนี่พี่น้องทั้งหลายครับต้ขอทวนนิดหนึ่งนะครับอ า, อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาอ่านมาถึงไหนนะถึงอายะที่แปดนะครับอินยาลนาฟิอานาอิมอัลล า, ลา فهي إلى ม ل أ ر ق ا ن فهو น ق م ล و ن الله أ ك ب รคำแปลก็คือว่าแท้จริงเรามาถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้คล้องได้คล้องคอได้ใส่บ่วงที่คอของเขาคอของใครอ่ะคอของคนกาฟเฟรที่นครมักมากา น, นูา้นนะ ถ้าจะเอวาว่สบะบุนูซูนสาเหตุก็คือญาติญาตินบีทั้งหมดที่แอนตี้นบีที่แอนตี้คุณอ่านที่แอนตี้คำสอนของนบีทั้งหมดที่นบีสอนว่าตายแล้วฟื้นเขาไม่เชื่อกันนะว่าก็แล้วก็ตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็ฟื้นมารับรางวัลมีนรกสวรรค์เขาไม่เชื่อเนี่ยคนที่ค้านนาบีแบบนี้นี่นะครับกุณอ่านบ่าไงนะเราได้ทําให้ที่คอของเขานั้นมีบ่วง หรือว่ามีห่วงเป็นห่วงโซ่เลยนะใส่ไว้ที่ไหนนะใส่ไว้ที่คอของพวกเขาต้องการจะอธิบายว่าในเมื่อเองไม่เอ า, าศาสนาไม่ว่าอารม์ก็ให้อยู่บนดุนยานี่แหละอยู่เพื่อมีบ้านมีลูกมีภรรยามีที่ดินมีรถมีเงิ น, ม, งนมีตําแหน่งเป็นนูน่นเป็นนี้อะไรก็ได้หมดแต่เองมองอิสลามเนี่ยมองมองไม่ถึง คือชีวิตของของคนกาเฟสเนี่ยอรอนเล่าให้ฟังจริงๆนะเหมือนอยู่บนดุงยาเนี่ยเวลาจะเดินทางเนี่ยใช้ตาใช่ไหมมองอะไรมองถนนขับรถก็ต้องมองถนนแต่ในเมื่อเอ ง, เองไม่เอาถนนประกาศจะอธิบายว่าถนนคือทาง น, นาสําหรับชีวิตคุรานคือทาง น, นาสําหรับชีวิตสุนนะนาบีคือทาง น, นาสําหรับชีวิตคําสอนของนบีให้เชื่อนั้น เชื่อเรื่อง อ, อิมรานหข้อและอิสลามอีกห้าข้อเอ็งไม่เอามาเป็นทางนำสำหรับชีวิตเอ็งก็จะอยู่ในสภาพนี้แหละฟาหุมมุกมหูนฟาฮียาอิลัลอั ล, ะละกรอนอะไรนะโซ่ตัวนที่อยู่ในคอของเขาค้ำคางของเขาไว้แล้วก็หน้าคอเป็นไงหัวเป็นไงเติ่งอยู่อย่างนี้มองหนทางไม่เห็น ถ้ามองบนทางมาเห็นแล้วเดินล้มหรือไม่ล้มเดินล้มครับเนี่ยเราเล่าให้ฟังนะแต่ว่าไม่ใช่ล้มจริงๆแบบนี้หรอกอนะใช้ก็ช้ปัญญาต่อยอดอะไรอย่างนี้สลเราเราอักบัตคนไม่มีทางนาสําหรับชีวิตสเปชสปะเรามีทางนาสําหรับชีวิตใช่ไหมคนที่เป็นมุมินมีทางนาสําหรับชีวิตเรานอนเป็นเวลาเราตื่นเป็นเวลาใช่ไหมเรานามาดเป็นเวลานั่นคือทางนําสําหรับชีวิต แต่คนกาเฟตคนมุชลิม ค, คนมมนาฟิกทํานําสำหรับชีวิตมีไหมไม่มีครับของเราเนี่ทางนํามาจากใครมาจากอัลลอฮฺผ่านใครผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลลฺลลออฺอัลยูบะซัลลัมสง่างามไหมทั้งโลกเป็นมุสลิมทําตัวเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดเลยนมาเกาะรกอัตซุโบ๒ใช่ไหมมุสลิมทั้งโลกนมาเหมือนกันหมดแล้วก็ก่อนนมาซุบโบมีซุนาอีก๒รอกอัตทํากันหมดทั้งโลกอะ เรามีฮุดาคุาณอานคือฮุดาคุาณอานคือรัศมีคุณอานคือความรู้คุณอานคือ إيمان อ ม, มีตั้ง 6-7 ข้อด้วยกันนะขอบคุณอัลลอฮฺเอาวันนี้มาอายะที่เก้าว่าจัลัลนามิมเบญีไอดีฮิมสัดดาว่ามินขอลฟิฮิมสัดดา ฟาอะก ن ัยนะฮุมฟาฮุมละยูบอเรุถ้าอ่านผิดนี่ต้องต้องต้องเตือนเลยนะให้อ่านผิด ค, คนฟังเยอะ <laughs> <laughs> ว่าจะอ ن านมิมไบเไอดีหิสัตตาวมิมขลฟิหิสัดต์ فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر ถึงต้องอ่านจำแรกบทสุดอียานีจำทุกคนใช่ไหมเอามาดูความหมายในเมื่อไม่เอาอิสลามอัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรหรอกไม่เอาก็ไม่เอาใช่าไหมละ่ะริสกียังให้เหมือนเดิมไหมอัลลอฮ์ยังให้เพราะว่ามีเมียมากว่าคนคนผู้ศรัทธานะ มีแบบว่าต้องแต่มด้วยไงจนว่งกับใครก็ได้เล่าก็กินได้ใช่ไหมบาร์กขคาได้ตัวนี้ยังยังเข้าไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมรออีอกอีกเดือนหนึ่งอ่ะอีกเดือนหนึ่ ง, งไงก็มร า, ารู้ยังพอบาได้ขับเปิดยังยังยังยังไม่เปิดรอไปอีกหน่อยกําลังกระซับกระสายกันอยูนะ่แล้วก็สงสารมนุษย์กนะ็ <c oughs> <c oughs> เข้ายบาอ่ะทีนี้ในเมื่อม่เอาอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์อิสลามระบบบ ก, บกพร้อมไหมไม่บุกพร้อม คุรานบวกพรลองไม้ไม่บุกพลองถ้าคนไม่เอาอิสลามไม่เอากุรานไม่เอาสุนาาัขนบีปฏิเสธอลัอลอลอฮ์เอาลอยยังใหญ่เหมือนเดิมเข้าใจนะแล้วใครละที่แย่มาดูคุรานอันนี้วา จ, จัลนาเราได้ทํานิมไบนีไอดีหิมข้างหน้าของพวกเขาซัดดามีเครื่องกีดขวางเอาไว้ข้างหน้ามีเครื่องกีดขวาง มองหนทางที่ถูกต้องสําหรับชีวิตไม่ถึงกันยังรครับต่อมาครับว่ามินคอลฟิมสัต ด, ดาข้างคอลฟิบุสดดข้างหลังของพวกเขาก็มีสัต ด, ดาเครื่องกีดขวางอยู่ข้างหน้าก็มีเครื่องกีดขวางข้างหลังก็มีเครื่องกรีดขวางแต่ที่นันอีกครับ ฟาอักรชันาหุมและเราได้คลุมเขาอีกแบบเอาผ้ามาคลุมเลยเห็นไหมไม่เห็นเลยนะครับเอาผ้ามาคลุมศีรษะคูุมหัเห็นอะไรไหยไม่เห็นเลยครับฟาหุมลายู่เบอร์ซีรูดังนั้นพวกเขาจึงมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะไม่มองเหตุมองธรรมนาสัมผัสพาตัวเองไปพบกับอัลลอฮ์ในวันกียรมะ หประยชน์ในสวนสวรรค์นหนทางนี้เขามองไม่เห็นเลยแต่หนทางอื่นมีจะหาเงินรู้จะหาตําแหน่งจะทำยังไงจะนั่งอยู่ในสสสภาทาไงเขามีวิธีสอนอยู่แล้วแต่หนทางจะให้ตัวเองรอดจากการลงโทษที่กูโบไม่มีครับจะให้รู้จักอัลลอ์แทนไอ่านกุรานไม่มีทางรู้จักครับดาท่านนาบีมุฮัมมัด จะให้เกียรตินบีโจซอลวะนบีไม่เป็นครับเพราะปฏิเสธอัลกุรอานทางนำของเขาไม่มีเพราะว่าข้างหน้าของเขาก็มีที่กั้นข้างหลังก็มีที่หลณยหน้ที่ ก, กีขวางมีเครื่องกั้นแล้วก็คุมศีศทาไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้คุมจริงๆทถึงต้องการจะอธิบายให้ฟังหมดชีวิตของคนถ้าไม่เอาอิสลามเป็นทางนําสําหรับชีวิตชีวิตของเขาไม่มีทางไป บนดุนยานี่รอดไหมรอดเอ็งลงตายอยู่สิพอตายพานอยู่ในกุโบโเจออะไรบ้างอ่ะเจอมาเลกามาใช่ไหมแล้วเอ็งตอบปัญหามาเลกาได้ไหมมารอบบูกะมันอีมามบูกะมันมันบีอยู่กัตอบไม่ได้อันนี้เมื่อตอบไม่ได้ที่เราศึกษามาเรียนมามาเลกามาทําอะไรครับชายคอเนี่ยซัดไปข้างหน้ากอเละ นบีบอกสัตว์ไปแต่ระหว่างใบหูของเขาทั้งสองใช่ไหมพอเราปฏิเสธอิสลามอย่างเดียวปฏิเสธคุรานปฏิเสธสุนัขอย่างเดียวตอนตาเจอแล้วอ่ะไม่ใช่เจอแค่ครั้งเดียวนะเจอทุกวันเช้ากับเย็นจนกว่าจะถึงวันฟื้นขืนชีพนี่เหตุที่เราปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดและนบีท่านอื่นๆ อ, อ, อีกแสนกว่าคนนะ่ะ ท่งมาเป็นทางนำสาหรับชีวิตโอ้โหบางบัดมันเราต้องนึกตรงนี้ด้วยนะอย่าเป็นนึกไอ้เรียกว่าเอฉันไม่เอาอิสลามไม่เห็นมีอะไรมาคุมสักทีหนึ่งไหมใช่อย่างนั้นคุมสติปัญญาคุณคุมสมองคุณคุมหัวใจคุณนะครับอ่านมาเอนะว่าจลนามิ่บไปนไอดีมสัตย์และเราได้ทำเครื่องกรีดขวางหนึ่ง ไว้คำหน้าของพวกเขาใครมาความรู้ปะไ ช, ต, ชต์ปอนพูดชัดๆเลยไชยต์ปอนและไซตอนเห็นตัวก็าปะล่ะอไม่เห็นเนี่ยอล้อ เ, เล่าให้ฟังอะ่ะฉะนั้นใครที่ไม่เอาอัลลอฮ์ถ้าเอาอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์ให้มล า, ายิก้ามาเป็นเพื่อนของเขาแต่ถ้าไม่เอาอัลลอฮ์อลัอลลอฮ์ให้ใครมาเป็นเพื่อนปะไชต์ปอนเป็นยังครับในคุราน ญ, ญาี่เตือน ของที่อัลลอฮ์สร้างมาที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละเนี่ยมาลายกาสร้างจากรัศมีถ้าเราเอาอัลลอฮ์อัลลอ์ให้มาลายกามาเป็นเพื่อนกับเราตอนเรานอนเนี่ยเราทำตามสุนนะมบีกี่ข้อหลายข้อนะหนึ่งแแปลงฟันใช่ไหมสองอาบนำนามาสาตะปัดที่นอนสี่ดึงที่นอนให้ตึงห้ายกมือขึ้น แล้วก็อ่านเปาก่อนนะอ่านทีหลังแล้วก็อ่านสามกุ้นแล้วก็ยุกท่นานแบนี้ยเช็ดรูปศีรษะข้างหน้าข้างหลังท่านอย่างนี้สามครั้งแล้วก็อ่านอายะคุตซีใช่ไหมแล้วก็อ่านอะไรบ้าง อ, อ่านอามนานอัลรอสูแล้วก็อ่านสุพรรนอัลลอฮ์สบามครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์เวาจะนอนจริงๆเอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแขนขวาอ่านดุอาว่าไง บิสมิลลาฮิรระห์มิลลัอฮิมโะอะยนี่เป็นสุนนะนบีถ้าอ่านแบบนี้ชายตอนไม่กล้าเข้าบนที่นอนของเรานี่นบีสอนถ้าเราไม่เอาปั๊บเนี่ยแปลงฟันก็ไม่มีน้ำละหมาดไม่มีอะไรก็ไม่มีใครมาอยู่แทนชายตอนเห็นไหมนี่พราเราอีมานก็จะอีมานต่อ الله, อัลลอ์อมานที่เราของที่เรามองไม่เห็นนี่แหละตัวช่วยเราให้ปลอดภยัย นอนก็นอนสบายมีบรรยากาศแล้วสามารถลุกขึ้นนัมาตะฮัดยุดได้อีกก่อนนัามาสุโบสักชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งอัลฮัมดุลิลละรับพี <ST AT> <c oughs> ่น้องว่ามินคอรฟิมสัดดาข้างหลังของพวกเขาก็มีเครื่องกี่กวางและยังไม่พอครับฟะาอักชัยนาหุมแล้วก็พวกเขาเนี่ยถูกคลุมมิดเปลอมองอะไรไม่เห็นเลย ไม่นึกถึงอิสลามเลยสักนิดหนึ่งมิตรดาด้วยตําหนิ ด, ด้วยต่อว่าด้วยเห็นมุสลิมอ่ า, อ, าอ๋อะนึกถึงใครตัวย่ออะไรที่ไปไปงานได้ว่าที่ประเทศมาเลเซียใช่ที่นั่งรถไฟแล้วก็ตายอ่ะหนังสือพิมนะพ์ลงกระดาษนะพอหนึ่งนุ่งปะยะมาม่าใส่กูต้ามีเขา่าแล้วก็มีหมวกตายบนบนบนบ น, บ น, บ, น, บ, นบนรถไฟ มีคนเขียนประวัติบทจบจากอเมริกาเงียบกันหมดเลยอะเขาให้เกียรติอเมริกาเขาไม่ได้ให้เกียรติคนมุสลิมถ้าเองจบจากอเมริกาอะเอาชันอยอมยอมรับยอมรับอย่างนี้เป็นตัวเี่น้องอะนะนี่ไงอัลลอฮ์คุมมิดหมดแล้วข้างหน้าก็มีที่กั้นข้างหลังก็มีที่กั้นแล้วก็คุมมิดหมดเลยครับฟาฮุมลาโยบสิรูนเขาไม่เห็นอะไรเลยเห็นเฉพาะวัตถุ เห็นเป็นเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งอีิมานตักวายกินมองไม่เห็นเลยครับพี่หมอรัวมากนะนั่นเรานมองอีิมานไม่เห็นใช่ไหมแต่พฤติกรรมมันแสดงออกนะครับเอาต่อมาครับตกลงว่าถ้าไม่เอาไม่เอาอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะส่งถ้าเอาอัลลอฮฺอัลลอฮฺส่งมาเลิก้ามาอยู่เป็นเพื่อนถ้าไม่เอาอัลลอฮฺอัลลอฮฺส่งใครมาเป็นเพื่อนนะ สงสัยตอนันพุทธอามีครับวามัยยาสุอันศิคริรหมานนนูกายิดลาหูไซคอนันฟะฮูวาลาหูกอรีนใครที่ไม่ห่างหานจากการดำลึกถึงอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะกําหนดไซต์ตอนตัวหนึ่งมาเป็นเพื่อนของเขาพอมิชตอันอยู่ในตัวเราว่าอินน้ฮุมลายซุดูน้ฮุมอานิสซาบีน พอเมเซตอนพับเซตอนมันจะห้ามหัวใจเขาให้แอนตี้อิสลามอย่าเอาอิสลามอย่าเอาอิสลามอยา่าแอนตี้แอนตี้แอนตี้ขวางด้วยแล้วก็วายาสซบูนะก็ะยิมว่าตัวเองนั่นอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วอัลลอ์ให้ยังไงอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะฉันสร้างมนุษย์มาฉันรุ่นนิสัยแอนตี <laughs> ้อิสลามแต่มองตัวเองเป็นอยู่ในหนทางที่ถูกต้องกระจาย น, นะเอาต่อมา ทีนี้เลาอธิบายตอบ อ, อีกในอายะอื่นนะพ่อไม่เอาอิสลามเนี่ยนิสัยมันก็เปลี่ยนมีสองอย่างที่เอาละเอ่ยนะก็คือคุณอ่านนะอายะที่111สุเรอันอ า, อ, า, อ, าอุอ่านอธิบายคุณอ่านเองนะอธิบายอายะนี้นะวันุกอลลิบุอัฟิดะท่ฮุมวะอับซารุฮุมวะอับบอซารหุมกามาลามยุเมนูบีอาวลมัร อเลาะอธิบายบอกว่าเราจะพลิกหัวใจของพวกเขาให้หมดความสนใจต่ออิสลามเอาหัวใจก่อนหัวใจในแอนตี้อิสลามอยู่แล้วและยังไม่พอครับว่าอับซอรหุมและตาของพวกเขาเนี่ยมองอิสลามแบบดูถูกเยียดหยามแล้วเอ่ยสองข้อหัวใจกับตาถ้าไม่เอาอิสลามนะ่ะ แอนตี้อิสลามแอนตี abi, ้ส uh ุนนะนบีแอนตี้มุฮัมมัดแอนตี้คุรานนี่นะอัลลอฮ์ให้สั่สองอย่างนะหนึ่งตามองมองมองแค่เห็นคนใส่หมวกนะมองตัวยอะที่อยู่บนรถไฟนะ่ะมองในความดูถูกเหยียดหยามนี่อลัลลอฮ์ยกตัวอย่างอหไรเหรอจริงไหมลนะ่ะจริงครับเมื่อก่อนเนี่ยมุสลิมมาคุมนิยามมาถูกดา่าใช่ไหมไหม่ใช่อะ ทุกดามาตลอดดังนั้นอิสลามเป็นาศาสนาของอัลลอฮ์ที่มีศัตรูเนี่ยตำหนิอิสลามมาตลอดพราําำหนิอิสลามเนี่ยนะไม่ใช่อิสลามมันจะแย่ลงนะสายตุคูลูนฟัฟีดีนิลลาฮิอัลุลาาวาจะคนจะรับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เ, เ, เลยสั่งนบีว่าอดทนอดทนไหมอดทน น, ะท น, นบีพระคนดา่าอิสลามนาบีก็เสียใจโดด่นาบนบนบีก็เสียใจ ดาคําพูดของนบีที่สอนนบีก็เสียใจอ่ะอลัลลอฮ์ก็ะซับอย่าเสียใจก็เล่าประวัติให้นบีอาดัมให้ฟังเล่าประวัตินบีนัวให้ฟังเล่าประวัตินบีอะไรนะมูซาที่ฟาโรห์ถูกรายถูกจมลงจมนางก็เพราะแอนติอิสลามั้นทําใจสบายสบายแล้วก็สอนต่อไปอ ย, ย่าหยุดอย่างนี้เป็นต้นครับเอาต่อมาครับตกองว่าคนไม่เอาอิสลามเนี่ยศัตรูอิสลามเนี่ยจะมองอิสลามผ่านอะนะ ผ่านสายตาก็าผ่านหัวใจดูแคลนอิสลามตลอดเวลา น, นะครับแค่นี้ยังไม่พอนะถ้าลงมือทำลายอีก อ, ะอ่ะอัลลอ์ว่าไงนะววลาอย่าให้คมักรุสไลอิลาบิอาลีผู้ที่วางแผนเรื่องชั่วทำลายอิสลามความแผนชั่วก้อนั้นไม่ถึงอิสลามแต่ไปถึงใครถึงตัวผู้วางแผนเอง ผมกูว่าโรคโควิดที่มาเนี่ยคนเรียกวางแผ่ชั่วใจยิสลาเนี่ยเราเล่นงานหรือเปล่าวัลลาวาลัมป็นึกนึกนเอาต่อมาครับอายะที่๙อายะที่๑๐วาสวะอุนอาไลฮิมอันดารตาฮุมอัลลัมตุนซิรุมลาอุมินุนอัลลอฮุอะลลอฮิมะอูซิบิลลา วาวาอุนอาไลฮิมอันจารทามอัมลัมตุนซิรุมลาอุมินูนอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮนะให้สมองมาน ะ, ะแล้วก็ให้ไรปัญญามาให้คิดมนุษย์เนี่ยที่ว่าจเจริญที่ว่าดีกว่ามักลุกทั้งหมดในโลกเนี่ยมีสองอย่างนะ สติปัญญาพาะมีปัญญาแพะแกะปัญญามีมากไม em. mi, ่ม eh. ีแล er. ้วก็คนที่ดันทุรังที่สุดน่ะก็คือมนุษย์นี่แหละแพะแกะอัวควาาไม่ไม่อะไรแต่ผู้ที่ทำลายโลกใบนี้คือมนุษย์ไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะ ไม่สู้อยู่ให้กับอัลลอฮ์เนี่ยก็หนักอยู่แล้วนะคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยก็ทั้งหมดเป็นมนุษย์หมดเลยอาดูสับดูกุรานชาวอุนแป็ว่าเท่ากันนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังมุฮัมมัดเอ้ยญาตินบีที่แอนตี้นบีที่วางแผนทำลายอิสลามเนี่ยนะใครบ้างอบดุลลฮับดุลจาฮัลมุตบะไซบะเขาจะใครเยอะแยะไปหมดแต่นะ คนที่รับอิสลามก็มีมันไปคอยมาทีละคนละคนละคนไอ้คนที่ม่แอนตี้อิสลามนะขวางอิสลามเอยนะอัลลอ์บอกกับนบีนะสวาอุนเทา่ากันมุฮัมมัดเลยอาไล่หิมแกพวกเขาอาอาอ่นซาต้ฮุมท่านจะสอนเขาเตือนเขาหรือลำตูนหิ่มมัน ล, ลตูนซิรุมหรือไม่เตือนเขา ลายูมินูนพวกเขาไม่ศรัทธาหรอกนี่บอกให้นบีรู้ญาตินบีที่แอนติอิสลามที่ไม่อีมานต่อร้อนเนี่ยนะนบีจะสอนหรือไม่สอนเขาไม่เชื่อนี่เล่าให้ฟังก่อนนะกว่านบีจะทอ้อใจเหมือนกันนบีจะทอ้อใจอยู่แล้วเช่นใครอบูยหฮัล เช่ไหมล่ะนบีขึ้นภูเขาซอฟาตอนเช้าน่ น, นะพี่น้องชากูเรสทั้งหลายแล้วก็เรียกชื่อใครแต่ใครมาเขาก็มากันเต็มเลยมาอยู่ที่เชิงเขานาบีก็บอกว่าถ้าหาฉันบอกว่าศัตรูเนี่ยจะมาเล่นงานพวกคุณชาวมักกาเนี่ยเชื่อไมมบอกเชื่อครับท่านขอบอกอุท่านวาวันเกียรามีจริงตายแล้วฟืน้นอะูลักะู้จานับอกว่าตับบัส วันนี้น่ะเสียเวลาทั้งวันเรียกเรามาเพื่อจะมาสอนเรื่องนี้หรือตัม บ, บัตขอให้พินาศขอให้มุฮัมมัดพินาศเนี่ยอัลลอฮฺมาทึกอยู่ในคัมภีร์คุณอ่านจงหมดต่อมาอัลลอฮฺกระประทานกุณอ่านลงมาทำลายใครลงมาทำลายคนที่ด่านาบีมุฮัมมัดว่าตับบัตยาเดอาบีละอบิวะตัม บ, บัตเห็นไหมทีนี้อัลลอฮฺน่าคัมภีร์คุณอ่านบอกว่า วันนี้ก็เหมือนกันคนที่ทำลายอิสลามนะอัคลาของเขานิสัยของเขาเหมือนกับคนในยุคแรกจะอยู่ในประเทศไหนของโลกก็ตามนะถ้าแอนตี้อิสลามนะความคิดความรู้สึกสติปัญญาสมองของเขาเหมือนกับคนในยุคแรกหมายถึงเหมือนกับบุญละฮักนั่นแหละเห็น <laughs> <laughs> ไ, ไหมอันตรายนะ ทำชีวิตของเขาไม่มีโอกาสได้พบหน้าอัลลอฮ์น่ะนมันมันเรื่องใหญ่นะ่ะแล้วตายแล้วถูกลงโทษในกุโบเลยมาเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะ่ะเรื่องใหญ่มากแล้วก็ตายแล้วถูกลงโทษในกุโบลแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกไป น, น้องเพราะครั้างหน้ายังมีงานอีกทำจะต้องเยอะมากนะไม่ใช่อยู่บนดวงจันทรแล้วจบไม่ใช่นะอิสลามสอนเราตายแล้วต้องฟื้นอยู่ในกูโบก็เจอปัญหาต่างเยอะฟื้นขึ้นมาต้องอีกเจ็ดปดรายการ จนกว่าจะเข้าสวรรค์หรือลงนรกนะเจอด่านเต็มเลยพี่น้องผ่านนาบีมุฮัมมัดผ่านอัลกุรอานหมดเลยเพราะฉะนั้นสวาอุนอัอลลอฮ์บอกกับนบีมีผลเท่า ก, กันกับพวกเขาที่ดื้อด้านเช่นนี้ท่านมุฮัมมัดเอ๋ยจะตักเตือนเขาหรือไม่ตักเตือนพวกเขาก็ตามพวกเขาจะไม่ศรัทธา เห็นไหมพี่น้องเห็นอย่างกับนี่กูอ่านเล่าไงนะจนถึงร้อยยาซีนเนี่ยเตือนเรานะแล้วคนถ้าถ้าไม่เอาอิสลามเนี่ยบังคับก็ได้ไหมไม่ได้ลูกเราก็เหมือนกัน น, ะนี่โครงการจะบอกว่าเราจะเตือนคนนี่นะต้องเตือนด้วยมารยาทอันงดงามดามีเราได้ไหมด่าไม่ได้อ่ะลูกเราก็ด่าไม่ได้อ่ะ คือสอนว่าลูกเราก็ต้องพูดจาดีๆแบบนบีมุฮัมมัดนะญาตินบีที่ดา่นานบีนบีเคยด่าไหมไม่เคยด่ากลับเลยนะนบีจะนั่งเงียบๆแล้วขอดูอลาอัลลอฮ์เราจะเปิดทางให้ฉันได้คุยกับเขาทำอย่งงางไนให้เขาได้สนใจอิสลามเป็นห่วงตรงนั้นเองเห็นไหมพี่น้องจนั้นเตือนนบีอะไรนะอัานซาตหุม จะสอนหรือไม่สอนก็าตามคนถ้ามันไม่เอาอนะย่างไงอย่างไงมันก็ไม่เอาแต่เลิกสอนได้ไหมเลิกสอนไม่ได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นมุมินทุกคนจะเลิกสอนศาสนาไม่ได้เขาจะแอนตี้หรือไม่แอนตี้มันเรื่องของเขาเพราะว่าคนจะรับอิสลามหรือไม่รับอยู่ใครใครบาคนโดนใจอัลลอฮ์แต่เรามีหน้าที่ พูดย้าไปย้ามาเพื่อให้เพราะว่ามันเรื่องอิมานมันมองไม่เห็นน่ะผมคุยกัค ร, ออครอูอิสมาิ์อามัตครูอธิบายเรื่องอิมานอิมานอธิบายยากนอธิบายยา ก, อายากพอจะมีการศึกษาขึ้นมากขึ้นมันก็เข้าใจง่ายนี่อย่างการการการบริจาคทรัพย์หรือไที่บริจาค ก, กันมาเนี่ยคละมื่ น, อ น, อน ần, สองหมื่นแสนสองแสนนนล้านสองล้านเนี่ย ไม่ใช่เพราะความรวยนะพี่น้องนะไม่ใช่เพราะความรวยครับแต่ที่เขาบริจาคกเพราะแรงอิมานเพราะแรงศรัทธาเอาที่อิเรามามัสยิดกันนี่มานั่งฟังตัปเซเนี่ยถว่าแรงอะไรเนะี่ยแรงอิมานที่เราโมโหแล้วก็ให้อภัยได้เนี่แรงอะไรแรงอิมานอนะ่ะ ญาติพี่น้องเราด่าเราเราให้อาภัยในแรงอะไรครับแรงอีมานถ้าแรงเงินนะยอมไหมล่ะถ้าเรามีตำแหน่งสูงนึ่งจะยอมไหมล่ะเราก็ไม่ยอมที่เรายอมยอมยอ ม, ยอมเดินตามใครเดินตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮุสัลัมนบีถูกเล่นงานตอนไปเมืองตออิบใช่ไหมนึกถึงภาพนี้ก่อนถูกสามเรื่องอะถูกด่าถูกอเอกถูกไล่ ตุกไรอกุกคว้างโดยหินนะ่ะทำไมนบีให้อาภายัยแรงอะไรครับแรงอีมานนั้นอิสลามที่มาถึงเมืองไทยวันนี้นะ่ะพันสะปีแรงอหมานของบรรดาสุฮบะนบีและพวกเราวันนี้ที่จะสอนอิสอลามให้กับลูกหลานเราเนี่ยไม่ใช่แรงเงินไม่ใช่แรงพ่อไม่ใช่แรงแม่แต่แรงอะไรครับแรงอหมานจิตสำนึกที่เราโยงกับอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาๆๆๆๆๆๆๆ ต้นคำอัลฮัมดุลิลลัลฮัมดุลิลลัลฮัมดุลิลลาอัลกัตบินอัลอฮตามมาครับอที่สิบเอ็ดอินนัมตุนซิรุมะอตุนซิรุมะนิตตับะลิค์รอวะโคชิอัลราะห์มะนาบิลกุยบ ف ้ ب ชื่อหุบมะกรุพรติมว่าจริงคาริมอินนัมตุนซิรุมะนิตต์บะَัล ا ิ ر รว่ م ขั้ศีลรห ر มนับอีลไกบ์ ر َก ل ุ อยาย่นี้ต้องการจะอธิบายว่าคนที่เชื่อสิ่งที่เล่นลับใครที่อีมานต่อสิ่งที่เร่นลับพวกเราในอีมานทุกคนใช่ไหมอโลอิหมานนี่หกข้อนะอีมานต่ออัลลอฮ์มองอลัลลอฮ์ไม่เห็นอีมานต่มอมัลลิกาไม่เคยเห็นอิกาอิมานต่อรอซูลไม่เคยเห็นหน้านาบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ยยังครับ ไม่เห็นไม่เคยเห็นกูอ่านต้องถูกประทานลงมาเป็นยังไงไม่เคยเห็นนะเราเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามีวันกิยามะทั้งๆ ท, ที่บิสูตก็ไม่ได้ด้วยแต่เราเชื่อเพราะนาบีสอนเพราะกูอ่านเล่าในเราฟังแล้วก็เชื่อว่าอะไรนะอะไรนะออกอดอกอดความจนความรวยเนี่ยเอาล็ อ, ลอ ก, กําหนดมาสุขภาพแข็งแรงหรือใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ทาเองนะเอาล็ อ, ลอ ก, กําหนดมาให้มา เขาเรียกว่าริสกีชั่วคราวเงินริสกีชั่วคราวสุขภาพแข็งแรงริสกีชั่วคราวเพื่อนฝูงกันเนี่ยริสกีชั่วคราวนะบางทีผิดใจกันนิดหนึ่งไม่มองหน้ากันก็นมีใช่มไหมล่ะเงินบางทีแป๊บเดียวหายไปหมดเลยอถูกโกงหมดเลยอ่ะฉะนั้นริสกีชั่วคราวกับริสกีถาวรต้องต้องเลือกให้เป็นนะ อ๋ออันนี้ริสกีชั่วคราวบ้านริสกีชั่วคราวเมียริสกีชั่วคราวนะทรัพย์ ส, บสมบัติริสกีชั่วคราวสุขภาพแข็งแรงริสกีชั่วคราว อ, อัอลลอฮฺจะให้แป๊บเดียวเนี่ยนะหมดทั้งทั้งทั้งมีทั้งบ้านทั้งสุขภาพแต่ริสกีถาวรไม่หมดอายุอะไรรู้ไหมอีมานต่ออลัลลอฮฺอีมานต่อรอซูลอีมานต่อคําภีร อีมานต่อวันสิ้นโลกอิม า, วานว่าตายแล้วต้องฟื้นแล้วก็อะไรนะอ่านกูณอ่านซิกรุลลอห์นัมาศบริจานะคนทางของอัลลอ์นี่เป็นริสกีถาวรเป็น้องไม่มีคำว่าหมดอายุสภาใจัหมอิสลามสอนอะ่ะให้ไหม Allah, อัลลอฮ์อัคบาตคนี้วันนี้คนที่มีอีมานเนี่ยเขาแสวงหาริสกีถาวรริสกีชั่วคราวสว่วนใหญ่เราหาซิริสกีถาวรกันนะ ที่มานมานหาพิษกีถาวรพิษกีชั่วคราวก็หาไหมหาแต่ต้องนึกต้องนึกนี่กาลังดูแลสุขภาพปินญ า, าน้นญานี้นี่มันพิษกีชั่วคราวนี่วะนึกนะรูจัด ก, กันเนี่ยสามสี่คนเพื่อนกันอะไรกันไปมาหาสู่กันต้องนึกเอให้อภัาายยิ้มกัมนเถอะให้สลามมันก่อนเถอะ พราอเราไม่ทักมันบางทีมันเครื่องเราเองอ่ะนี่เป็นริษฐกีไม่ถาวรมันต้องนึกฉันฝ่ายามหาจัรกริษฐกีถาวรด้วยและธิสกีไม่ถาวรด้วยนะครับอินมาตูนรีรวมมาดูคัาแปล์ น, นะแ <c oughs> ทะ้ี่พูดถึงนบีมุฮัมมัดนะ <c oughs> นบีมาเพื่อเราอ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนบีเป็นอะไรครับเป็นรอยศูนที่ อ, อัลลอฮ์ส่งมาใช่ไหมไม่ใช่มาเองนะอ่า ทีนี้นบีมาทำหน้าที่อะไรตุนซิรุมาตักเตือนมาตักเตือนครับทีนี้นบีมาตักเตือนนะให้หนังสือคู่มือมาด้วยอะไรครับอัลกุรอานที่เรียกว่ารซูนนะเพราะมีคำพีกุรอานเป็นคู่มือถ้ามาสอนอย่างเดียวไม่มีคำพีติดมือมาเรียกว่านบี ถ้ามีคัมภีร์มาด้วยเรียกว่ารอซูลน บ, บีในโลกนี้เยอะนะแต่รอซูลมีอยู่ห้าห้าขั้นนะใครบ้างน บ, บีนวัวน บ, บีมูซาอีซา น, บ, บ, น บ, บีนบีนัวนบีอิบรอฮิมอิซามูซาน บ, บีมูฮัมหมัดนี่เป็นรอซูลเพราะมีคัมภีร์มานอกนั้นคัมภีร์ไม่มีแต่ว่าอาชายคัมภีร์เล่มเก่าของนบคนีคนก่อเนี่ยอามมาสอนต่อนะครับ อย่างนาบีอีสาเอลจะมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยนะเอาคัมภีร์กุณอ่านนมาสอนนะเอาซุนนะนาบีมาสอนต่อนะมาสอนต่อครับคือเอาซุนนะนาบีมาเจริญรอยตามซุนนะนาบีไม่ใช่มีคัมภีร์เล่มใหม่มาไม่ใช่เพราะคุณอ่านเป็นคัมภีรสุดท้ายแล้วจบแล้วอินนามาตุนซิรุนเนี่ยเอาเล่าให้นบีฟัง ที่นบีเตือนคนเตือนคนเตือนคนคนที่เชื่อนบีนะใครบ้างยังมีไม่มีไม่ใช่ไม่มีมานิตตบาริกราผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนมีไหมมีครับท่านเนี่ยเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นเฉพาะผู้ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่านั้นที่เชื่อท่านเข้าใจนะ นี่ปลอบใจนะบีนะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แอนตะี้นบีทั้งหมดหรอกคนที่เชื่อนะบีปฏิบัติตามของที่นะบีสอนนะมีไหมอย่างน้อยที่นั่งในมัสยิดนี่กับพวกเราเนี่ยพวกนะบีนาะแล้วก็ในอาหรับเท่าไรในอเมริกาไม่มีนะทั่วโลกนี้หมดเลยนั่นคนที่เชื่อนะบีมีไหมมีนี่ปลอบใจนะบีแล้วโอ้อลัมดีเราไม่ใช่แอนตี้ทั้งหมดนะ่ะคนที่ ข้าวข้างนาบีมีไหมมีเดี๋ยวนี้เยอะแล้วนะพันกว่าล้านแล้วนะเกือบสองพล้านแล้วนะห้ามอยูอ่เลยแหละเอาต่อมาครับแล้วคนที่เชื่อนบีมีใครอีกวะคอชิยาระห์มานบิลอยบคอชิย่าแปลว่าเกรงกลัวนะคอชิย่าแปลว่าเกรงกลัวอระระห์มานก็คือสิ่รัตรของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีนะครับบิลอย แต่ว่าโดยลับลัศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยลับลไม่มีใครเห็นคนเหล่านี้นะเชื่อท่านหมดอ่าเห็นไหมคนที่เชื่อคนที่อี م ا นหกข้อนี่ท่านสอนอะไรมาหนาเชื่อหมดแล้วนีปลอบใจยังปลอบใจแล้วห้ามเลยแล้วเนี่ยอ่านสุรยอดีมันก็มีมีประโยชน์เยอะนะเตือนใจเราที่อ่านกุณอ่านคนที่เชื่อนบีมีไม่มี ของที่เราสอนไปคนที่เชื่อเรามีไม่มีคนที่อ ي م ا ن ต่ออัลลอฮ์อยู่แล้วแต่ว่าล่ะคนที่อีมานต่อ อ, อัลลอฮ์แล้วก็คนที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์มีไม่มีคนเหล่านี้สอนอิสลามเขาเชื่อหมดนะครับยิ่งสอนมารยาดีๆงามๆบอกาปอัลลอฮ์คนยังอีมานเพิ่มขึ้นอต่อมาครับอีมานต่ออัลลอฮ์ไม่เคยเห็นหน้า Allah. อัลลอฮ์ إيمان หกข้อไม่เคยเห็นเลยเนี่ยได้อะไร อีมานอย่างนี้ได้อะไรดุกรานฟะบา ช, ชิรหู ม, มุ hammad เอ๋ยนบีเอ๋ยจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อีมานต่อ Allah, อัลลอฮ์ إ ي م ا ต่อรสูนอีมานต่อคำพีอีมานต่อวันเกียมะ إيمان ละตาและต่องฟื้นเนี่ยมักฟิโรตินเขาจะได้การอภัยโทษสบาใจไหมได้มักฟิรอร อัลลอฮฺอักบาร์ี่น้องถ้าอัลลอฮไม่เอาโทษนะเดินอยู่บนดุนยานี่สงางามจะตายไปองเดอรมดอนหญิงอัชักถามท่านนาบีว่าถ้าฉันพบก็าคืนไล่ก็จะดีจะขอทุอาบทไหนนบีสอนว่าไงนะอัลลอฮมิินักเอาฟูบนตัวให้บุลอาฟะฟ่าฟูอันนี้นี่ละสัตว์คำเดียวกันมักฟิรอาพายโทษเหมือนกันแล้วคนที่อยู่ในคุกติดคุกกันรออะไร รอไฟจะถอราวันนี้นบีศรนะมันอยู่ในคุกใช่ไม่ใช่จะจะกินเหล้าไม่ได้จะทําที่นาไม่ได้จะด่าคนอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่มาอ่านคูอานไม่ได้เหมือนอยู่ในคุกเลยพวกเราวันนี้นบีพูดเองนะ่ะเดี๋ยวนี้รออะไรรอการอัปยะโทษจากอัลลอฮ์สุภานโนอาดารเอาตัวมากับคนที่อิมานอัลลอฮ์ได้ประโยชน์ที่สอง ว่าอาจริงกับอาจาร์แบบว่ารางวันอาจารุนแบบว่ารางวัลมักฟิโรนได้รับการอภัยโทษสองได้รับรางวัลรางวัลแบบไหนครับกับรางวัลที่มีเกียร์อัลลอฮฺรางวันที่มีเกียร์อธิบายนะครับคือรางวัลที่มีเกียรติมันต้องทําอามันที่โซแล ไอ้ส่วนการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่มองไม่เห็นนะนั่นได้อะไรนะการนภายโทษพอำทําอามันฑิตซอและพอนมานภาพอพออ่านคูรอ่านตัตพอจิกรุลล้อภาพพอให้อภัยภา พ, พติดต่อกับญาติพี่น้องดูแลพ่อแม่ให้ดีพี่น้องบริจาคเงินสม่ําเสมออาจริ่การิ่ได้รางวัลอนันมีเกียรติทดแทนนั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภานุอัลลอฮ์เตียบไว้แล้วครับน คนเรากอยู่ศาสนาอยสลามดีได้ไม่ดีดีครับแต่ต้องเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะไอคนที่เชื่อของที่มองเห็นก็ต้องเชื่อสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งเชื่อว่าเงินให้ประโยชน์อะไรอีกชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศอันนี้สอย่างนี้นะมันก็มองไม่เห็นนั่นแหละแต่ว่าเราบอกเราจับพดพดจะจับต้องได้เหมือนกันนะเงินโอ้โชื่อเสียงตําแหน่งบุ้นานี้เห็นชัดเลยนะสสมาโอ้โหให้เกียร์กันหน้านดูเลยนะตัวมาม า, มาอย่างนั้นอย่างนั้น ตัวคูมาอย่างนั้นย่งนั้นบ่อยแต่ถ้าสอวามานี่ยโอ้โหก็คนมันก็หลงมาตรงเดียแต่อย่าลืมนะอีมานต่ออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถทําให้เราเสียสละได้ทําความดีอย่างอื่นได้หมดเลยต้อลรงว่าอีมานในสิ่งที่เร้นลับให้ดีได้ไม่ดีดีนะได้อะไรนะได้การอาภัยโทษต่ออัลลอฮ์ แล้วก็ต่อมาครับทําอามันทิซอและได้ไรได้รางวัลอันมีกีนะ่อัดนะเอาต่อมาครับทีนี้อินนามาตุนซิรุมานิตตะนอุลมะอธิบายต่อบอกว่านบีเนี่ยมาเตือนเรื่องอะไรนะนบีมาเตือนเรื่องอะไรตุนตันตุนซิรุมานิตตะบอัลวิคลคนที่ได้รับข้อตักเตือนจากนบีนบีเตือนเรื่องอะไร ผมยกตัวอย่างให้สัก10บสข้อนะข้อที่หนึ่งน บ, บีมาเตือนว่าอย่าอย่าดูถูกการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ผ่านน บ, บีหมดเลยนะการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามองเป็นเรื่องไม่ดีโรคโควิดมาอย่ามองเป็นไม่ดีให้มองเป็นรักมั่นนี่คําสอนของกครข อ, อน บ, บี ม, ามาุฮัมมัดข้อที่สองเยี่ยมเยียนคนป่วยนี่น บ, บีเตือนน บ, บีสอน ข้อที่3เวลาไปหาคนป่วยเนี่ยต้องขอดวาด้วยนะขอว่าไงลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์นี่นบีสอนนะเราหลักบัตรอาจจะไปเยี่ยมพ่อเราไม่สบายถามว่าย่อตองการอะไรอาการเป็นยังไงนบีถามแบบนี้แหละอยากกินอะไรไหม แล้วก็อ่านดุอาให้ลาบะซาปะฮูรุนอินชาอัลลอฮ์พยายามทำให้สบายก็เหมือนกันเธอเป็นอะไรเอามือจับนาภาอยากทานอะไรไหมอาการเป็นไงไปหาหมอไหมขอขออุทธก่อนขออุทธก่อนลาบะซาปะฮูรุนอินชาลลอัาลลอฮ์เป็นรองเอาต่อมาเรื่องที่สนบีสั่งนะครับนบีว่าเวลาคนที่ทําบาปเนี่ย อย่าแช่บาปเอาไว้ให้เรียบอะไรรีบเต่าบะตัวข้อที่อีกข้อหนึ่งนบีสัง่งนะครับให้อ่านกุรอานสม่ําเสมอให้นมาศอย่าให้ขาดให้บริจาคสม่ําเสมอให้ขอดาอัาสม่ําเสมอให้ดิกรุลล้อสม่ําเสมอนี่ห้าข้อแล้วนบีสัง่งนะเนี่ย ให้ทําตามแล้วคนที่ทําตามนบีก็คนที่เชื่อนบีทั้งหมดชื่ออัลลอฮ์อะไรบ้างหนึ่งอ่านกุรานสม่ําเสมอสองนมาศสม่ําเสมอสบริจาคสม่ําเสมอสขอดูอาสม่ําเสมอห้ิกรุลลอสม่ําเสมอดีหรือไม่ดีออกจากบ้านขอดูอาเปล่าดิกรุลลอเข้ามัสยิดดิกรุลลอขอดูอานั่งรถอัลลอฮ์อัควาตเนี่ยอิสลามสอนให้เราน่ยโยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลา แล้วก็สอนอกีกค้าขายอย่าโกงตาช่างก็ทำไมเนื้อหมูกลายเป็นเนื้อวัวได้เพราะอะไรกันผมคงจะถูกไปหลายกิโลเนื้อหมูกลายเป็นเนื้อวัวไงวันนี้รู้แล้วนะอ๋อนี่มันหมูมาใจวัวก็ให้ผู้จัดจา ก, การเข้าใจกากันเองล้วขอตอนต่อเราก็จะระมะัมระลองเกินหมูมาแล้ว เพราะอะไรก็พวกก็พวกเรา穆斯林นี่แหละพี่น้องถูกหลอกบ้างอะไรแต่พระหุประตาสว่างแล้วนะอัลลอฮ์พระทากินเนื้อหมูเนี่ยบาปไหมความจริงนะอ่านอ่านจั ก, กรอ่านเนี่ยถ้าลำบากไม่มีอาหารอื่นกินกินเนื้อหมูได้นะครับแต่วันนี้เราถูกหลอกนะเราถูกหลอกไม่ใช่อาหารไม่มี เราก็ชอบของถูกๆแค่นี้พครับมาต่อมาอายะสุดทา้ายยะที่สิบสองอินนะฮ์นุลมาตะวะนักตุบมะกุดดามูวาตารุมวกุลล์ชัยอินอัพไซนาฟีมะมิมุบน อินน่าหนะห์นุนุฮีลมาุตาห์วันักตุบมะกุดดามุวะอาซารุฮุมวกุลล์ชัยอินอัพไซน์อูฟีอิมามิมูบินอัลลอฮฺอัลลอฮฺนี่สุราย s สินะสอดีนะอาบัยานี่พูดพูดสองเรืองนะ นึงเรื่องความตายตายแล้วต้องเกิดหมดมันมีใครตายแล้วตายเลยเนี่ยไม่มีนะนี่เห็นหิสราีนอดูกรานอินนานันโนฮีเนี่ยแปลว่าเราเราเราสามครั้งนะอินนาแปลว่าแท้จริงเรานัพโนเรานฮี เราให้มีชีวิตพูดสามครั้งเราเราเราเพื่อจะเน้นให้รู้ว่าเอ็ตาต้องฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตอนใครที่เชื่อว่าตายแล้วตอนอากีดาพิษก่อนที่อัลล์จะลงโทษอัลล์เล่าให้ฟังก่อน อ, อินน่าห์นูนูฮีแท้จริงเราเราเรา ให้ชีวิตกับผู้ที่เมาตาผู้ที่ตายใครมีความสามารถบ้างในโลกเียไม่มัม่ะไม่มีครับนี่คือความสามารถอันยิ่งใหญ่ของใครของอัลลอฮสุบฮานฮูวตาลาอัลลอฮฺเพีน่นาะครับนบีมูซาตอนถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีอยากเห็นหน้าอัลลอ์อัลลอ์จะอยากดูหน้าท่านเนี่ยีความสามารถเยอะเหลือเกิน แล้วว่าดูฉันไม่ได้นะต้องดูวันเกียววานวนอยากเห็นบนดุญญานี่แหละแล้วอ่าเองจ้องวัธิบุขาวนะจ้องไปกังคืนมีไฟมาราศมีมาสลบสลบเลยพบฝืนขึ้นมาฉันกลัวแล้วฉันมองมาเห็นอาล่าจริงๆคันยังครับอาล่ามีไหมมีครับ พรามานั่งเถียงว่าลเราอยู่บนอาราส ย, ย, ยู่ยังไงอัลลอฮ์นบีสอนว่าอเอาเชื่อว่าเลาอยู่บนบัลลังนะพอแล้วอย่าไปวิจัยอย่าไปนึกว่าอยู่ยังไงยังไงอัลลอฮห้อยู่บนบัลลังพอแล้วอยู่ยังไงบลอหูาอาลามสติปัญญาเราเข้าไม่ถึงแค่นี้พอนาะอินน่าฮานุนไหย์มาแต่แท้จริงเ ร, เราเราเราเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตาย พี่น้องครับตายยังไงก็ฟื้นอย่างนั้นนะถ้าตายในสภาพเป็นคนกาเฟตพื้นมาก็กาเฟตถ้าตายในสภาพเป็นมุมินตายฟื้นขึ้นมาก็เป็นมุมินเห็นไครับดังนั้นคนที่ตายสง่างามตายยังไงตายต้องมีกาลิมตาตอฮิตลออิเลฮออิละอละลอบางคนก็เลือกเอาวันตายเหมือนเหมือนกัล น, นบี นบีมันจะสั่งให้ตายวันเดียวก็ฉันนบลเองตายมีกะริมาตาเฮต์นบีตายวันจันทร์แต่ท่านอบูบากเคยถามท่านลูกสาวไอชามาเยี่ยมนบีเองนะท่านบุบกัดไม่สบายท่านอันทันยังชามาเยี่ยมบอกพ่อเป็นไงท่านก็ถามว่าเออนบีเสียวันไหนก็เสียวันจันทร์ถามวันนี้วันอะไรกระจายมนนึกอยาอยา้ตายวันเดียวกับนบี แต่น บ, บีไม่ได้สั่งให้ตายวันจันน บ, บีว่าถ้าจะตายต้องมีกาลิมาเ ต, ตาให้ถึงจะปลอดภัยจากการลงโทษที่กูโบตายเนือสภาพว่างไงนะละอิละฮะอินละละสอสงางงามที่สุดแล้วเข้าใจาอิสลามเข้าใจาเรื่องอีมานหวข้อปฏิบัติอิสลามอีกห้าข้อลอไปน้องอ่ะต่อมาครับในเรื่องเรื่องที่สองนะเรื่องที่หนึ่งเราเนี่ยให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตายยังไม่พอครับ เล่าให้ฟังอีกนะวานาตูบูเราเนี่ยบันทึกหมายถึงเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเลยไม่ไม่หายไปไหนเลยอะไรบ้างครับมากอดามูที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ที่มนุษย์แต่ละคนแต่ละคนทำอะไรไว้นะอเลอกเก็บข้อมูลหมดเลย กัวลอยังอันสรุร ย, ยาซินี่มีบรารักาศอย่างนี้เห็นยังครับเล่าเอาเองตายเราต้องฟื้นข้อที่สองเอ็งทำอะไรไว้นะข้อมูลนี้ถูกเก็บหมดกัวยังใครกล้าพูดบ้างไม่มีใครกล้าพูดแแต่อัลลอฮ์เล่าแล้วกัีกรอา น, นสรุร ย, ยาศินอยายที่ ส, สอง ว่านักตูบุมากดดะูเราบันทึกนะเขาเก็บข้อมูลที่พวกเขาได้ประกอบไว้ทั้งหมดเลยนไม่ว่างานชั่วหรืองานดีอายาอื่นอธิบายอย่างนี้เราเก็บเก็บข้อมูลไว้ในสามสี่แหล่งหนึ่งแผ่นดินยาวมามรินตัวฮัดดีกูอัคบารฮาวันเตีย ม, มเะเราให้แผ่นดินเล่าเรื่องของเรา ให้แผ่นดินเล่าเรื่องของเราเดินอยู่บนแผ่นดินนี้เองเดินไปซีคอนกี่ครั้งก็เดินมาโซเรากี่ครั้งขยิบตาของเธอน่ะกี่ครั้งมองของคารอมกี่ครั้งมองกุลอานกี่กี่ครั้งแผ่นดินเล่าหมดเลยอะ่ะไม่กลัวนะยาวมาอีดินตัวฮัด <c> ด <oughs> ah ิสุอัคบะรอฮแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่วันนี้ที่เดินไปไหนมาไหนนี่นะบันทึกข้อมูลเราหมดเลย เอาเรื่องที่สองครับว่าอินนาไลกุมลาฮาฟิวินกิรอมังกาติบีมีมลาอิกาคอยบันทึกอีกนายะอื่นอะ่ะอลอะ่ะจะต้องมลาอิกาอยู่กับเราสายขวานล้บันทึกอะไรบันทึกอามันเราหมดเลยอะ่ะถ้เอ็งจะหนีไปไหนกอดอว่านักุตูบุมากดดมูเราบันทึกนะเราเก็บข้อมูล นาการที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ข้อที่สามวาซารหมอาซาเี่ยแปลว่าร่องอาา ร, อ, งรอยของพวกเขาเอารอยอะไรบ้างพี่น้องอุลมะอธิบ า, บท า, ายทศนว่ารอยสูญเนี่ยอรอยสูดมีหรือไม่มีมีทุกคนทุกคนรอยสูญจะบรรลักษาไหมอฟัง เนี่ยคนนี้สูดอยู่ชันแผ่นดินนั่นแหละเล่าอเนี่ยสอยู่ชันอุลามะอธิบายอีกนะครับรอยก้าเดินที่มามัสยิดเนี่ยเราไม่พูดว่ารอยก้าเดินที่คือไปบานนร์ในขับนั่นก็ถูกบันทึกเหมือนกันแต่เราไม่พูดงนะเราให้เกียรติเน้องมุสลิมเองที่เดินมามัสยิดนะรอยเท้ามีบันทึกไว้ไหมนี่ง อ, อาซาโรหุมรอยร่องรอยของพวกเขา นี้นบีสอนอย่างนี้ไอ้ร่องรอยเนี่ยเป็นอย่างงี้นะใครที่มีวิชาความรู้สอนวิชาความรู้เอาไว้รอยมีไหมมีเนี่ยนี่ภาษาที่มันออกไปเนี่ยเสียงมันทุกมด น, นะได้ภาพที่ตกหน้าพระยาเน่ยมันทึกเปล่าอ่ามันทึกรอยมันทึกทีดาพระยาเนี่ยก็ตกหน้าพระยาเ น, นี่ยบันทึกหมดยังทําทําไมอ่ะใครสอนเธออทีภรรยา พวกเราไม่มีนะนั่นเลาให้ฟังฉะนั้นร่องรอมันถูกบันทึกหมดเลยนะครับอโลเนื่องความรู้นะครับสองพิมพ์หนังสือเอาไว้สร้างมัสยิดเอาไว้ขุดบอ่อน้ำเอาไว้สร้างบ้านเด็กกำพ้าเอาไว้คนยากคนจนสร้างโรงเรียนซื้อที่ดินวากับร่องนี้เป็นร่องรอยหมดเลยทั้งหลายอโลอบันทึกทั้งหมดต่อมาครับ ว่าคุณละใช่ in อ๋อใช่นาหูฟินไมามิมูบินคุณลาใช่แว่าทุกสิ่งทุกสิ่งนั้นเราได้อ๋อในาเราได้รวมไว้ได้เก็บไว้หมดเลยได้รวบรวมมาไว้ทั้งหมดเลยบัญชีใครบัญชีมัน <laughs> บัญชีของอามากรบีบัญชีอามาต่างหากเลยไม่ปนกันนี่ของภรรยาต่างหากลูกต่างหากไม่เกี่ยวกันไม่จะไม่ได้ปาปนกันชัดเจนเลยครับเห็นไหมนี่อา่านคุณอา่านโซลารยาซีเนเตือนเราให้เข้าใจเอาล้อใช่หรือไม่ใช่ให้ทําความดีให้ระวังตัวเองอย่าทำบาปต้องระวังหมดเลยทั้งปากหูตาจมูกเพราะทั้งหมดจะรายงานให้อาลลอฮฺทราบหมดเลยมือจะพูดได้ไหมคุณอา่รรานโซลอะไรเ่ย วัตุการเลมูนาไอเดหิมบาอารจุลาหุมบิมาการุสุวนนี้หรือเปล่ายาเซนี่นั้นมึงนะบิมาการุยักษ์สุเอาล้อจะให้มือพูดให้ปากพูดให้หนังพูดให้เท้าพูดเอาล้อมจะเหลืออะไรเลยพี่น้องครับทงให้อีก่ายอักเราเพิ่มขึ้นอราทำจนลพี่น้องอันทีนี้นบีสอนยังงี้นะครับอิดามาตับนอาดัมเมื่อลูกหลานนาบีอาดัมเสียชีวิตนี่นะ บรรเชษกอิมามมุสลิมอิงกอตาอามาลูฮูพอตายแล้วเนะี่ยนบัญชีถูกปิดยกเว้นสามรายการที่สามารถความดีถึงคนตายได้นี่ใครเล่าครับอัลลอ์เล่าให้นบะีฟังงั้นบีมาสอนหนึ่งซอดากตุญญาดิยาลบริจาเห็นไหมนี่เป็นอาซาดหมดเลยนะร่องรอยความดีที่ทาไว้ถึงตายไปแล้วผลระบุถึงเราอีกข้อที่สอง ไอ้ลมยุนตะฟังบีความรู้ที่เราสอนคนเอาไวอ้อาคูสอนกูางานพลบุญเยอะนะพละบุญถึงคนที่ตายอีกอะแล้วก็วาลาดุลซอเลหุนยโดองลาหูลูกที่สอนนะอย่าไปมีเมียทิ้นที่สอนเราอะไปาสานไปจีบผู้หญิงไปเกนทาเินาก็มีลูกติดล้วไม่กลับเดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านแล้วฉันโอ้โหตอนหนุ่มหนุมหน้าดูเลยเท่น้ดูนะเท่อะไรวะ มีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นคาเฟ่ขอเวาเป็นบ่าวไม่เป็นแต่งก็ไม่ได้แต่งลูกก็ได้คิดคิดไม่อ่ะท่านอิสลามเป็นศาสน า, า, าที่สอนให้เราเนี่ยระวังตัวเองระวังสังคมนะครับต้องระวังตัวตัวหมดเลยนะครับฉะนั้นก็มีอีกาดีหนึ่งนะครับ ร่องรอยของเดินมาสุรามีรางวัลมีชาวบ้านนบีกลุ่มหนึ่งในสมัยนบีนะครับพวกบันีบานูซัลมาเนี่ยรู้ข่าวว่าริมริ ม, ร ม, มัสยิดนบมมมีมีที่ว่างก็คุยว่าฉันจะย้ายบ้านมาอยู่ติดสุรานบีจะได้เดินมามัสยิดไม่ต้องไกลเนียสีห้าเก้าถึงสุรานบีรู้ข่าวเดี๋ยวอันนี้พวกคุณวางแผนก็จะมาสร้างบ้านริมสุราใช่ไหมบอกว่าใช่ใช่ นี่เรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบ้านของคุณอยู่ตรงไหนอย่าลืมมาอยู่ตรงนั้นแหละทุกกา้าจะคุณเดินมามาสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ Allah หมดเลยคุณอ่านในยานีว่านักตุบุมากร ด, ดามูวาอาซารุฮุมว่ากุลลชัอยอินอาฮ์สไวนาฮูฟีอิมาเ ม, มมุบีนอิมามแปล ว, ว่าบันทึกอิมามเนี่ยแปลว่าบันทึกแต่จริงๆมันอิมาแปลว่าผู้นำใช่ไหมล่ะแต่ก็รู้แปลว่าบันทึกข้อความ ของแต่ละคนแต่ละคนที่มีเรียกว่าอิหมานเาอครับมาพี่น้องครับหมดเวลานะครับุานกบุาุมาไหมดกวเลียอิละอลอันตะอัสตกุวะูบเลห